กลาบขอโอกาสจากกลุ่มพกกลมกลาบโอกาสจากแบบพระจารย์ที่มาจากทางสายธรรมยุทธ์นะับผมขออภัยผมไ ม, ไม่ไม่ทันได้ทามชื่อนะครับกลาบขอโอกาสจากพระอาจารย์ทรงศิลป์กลาบขอโอกาสจากพระอาจารย์ฉัดชัยพระอาจารย์โน้ตนะครับแล้วก็โอกาสเพื่อนสาธุมิกนะก็เจริญพรมาอย่างพวกเราเนาะอย่างนั้นก็ ก็มีเ <Eyes> รื่องที่ไม่มีเรื่องในจะพูดก็ก็ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากเรื่องของการปฏิบัติเนาะเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อคำเขียนหลวงพเทียนครูบาอาจารย์พูดให้พวกเรา ฟังกันอยู่ทุกวันทุกวันความรู้สึกตัวก็เป็นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราพูดกันเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาที่เป็นภาษาบาลีแล้วก็ว่าเป็นสติกันตรงเนี้ยก็เป็นถือว่าเป็นธรรมเป็นธรรมอันเอกเนาะเป็นธรรมอันสําคัญที่สุดคือถ้าเกิด ถ้าเกิดพวกเรามีสตินำหน้าเนาะ ก, ก็เรียกว่าชีวิตเราก็นำด้วยธรรมเลยใช่มอย่างเงี้ยมีสติก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำอะไรต่างๆนานาเหล่า น, า น, า น, านี้ตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตเราก็เรียกว่าปลอดภยัยสวยงามหรูเลยนะฮะอย่างนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังหัดกันสติ เราก็มีกันอยู่ประจาตัวเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือของดีๆแบบนี้เนี่ยเรามีอยู่ประจาตัวแต่ว่าเราไม่ได้คิดเอามาใช้กันเมื่อไม่ได้คิดเอามาใช้กันก็ต้องหัดใช้กันเนี่ยตรงนี้หัดใช้กันคือถ้าเกิดว่าเราหัดหัดให้เป็นนิสัยใช้สติเป็นนิสัยเนี่ยเราก็จะมีสตินำหน้าในการทำทุกอย่างเนาะอย่างนี้ ก็ถ้าเราคิดดูเนาะใช่ไหมฮะถ้าเรามีนิสัยมีสติเนาะกำกับการกระทําของเราพวกเราก็คงนึกภาพออกนะว่าโอ้ชีวิตของเราคงไม่มีก็เรียกว่าไม่มีความเดืดเอดร้อนใจอะไรเนาะแล้วก็ทํานองเดียวกันชีวิตของเราก็คงจะเป็นชีวิตที่ก่อประโยชน์ไม่ทําทุกทําโทษให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเราแล้วก็กับทั้งคนอื่น ตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเองก็ได้เรียกว่าได้ให้แนวทางเนาะแนวทางที่เราสามารถที่จะใช้สติในชีวิตประจำวันได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเนะาะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังหัดกันหัดผ่านความเคลื่อนไหวเพราะว่าตรงนี้ทาพวกเราแบบว่า มีนิสัยเนาะที่จะมีสติไปกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ตั้งแต่ตื่นเนาะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงหลับเนี่ยเราก็มีก็เรียกว่ามีความเคลื่อนไหวกํากับตัวเราไปตลอดเวลาเนาะเราจะทํานู่นทะํานี่เนาะตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาท่านึกดูเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราลืมตาตื่นขึ้นมาปุ๊บเนาะ หรือว่าพอเราขยับตัวตอนเช้าเนาะเราก็เหมือนกับว่ามีสติเนาะกับการกับการตื่นนะจะเป็นการรู้กับการกระพริบตาก็ดีจะเป็นการรู้กับการหายใจก็ดีหรือจะเป็นการที่พระเจ้านโนตเคยพูดถึงแบบโอ้เรานอนอยู่ท่าไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะนอนตะแคงหรือนอนหงายหรือนอนควา่าแหลงตนาน า, นาคือให้เรามีสติ เนาะในการตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าเขาเรียกว่าน่ายินดีเนาะอ๋เราตื่นขึ้นมาไม่ใช่เพียงแค่ได้มีโอกาสมีชีวิตวันนี้เท่านั้นแต่ว่าอ้เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีสติเนาะอย่างเงี้ยมีสติมากับการตื่นเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราคุ้นเคยกับเรียกว่าการมีสติไปกับการเคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครยังไงก็ตามเนี่ยตื่นมาบางคนก็การกระพริบตาก็เด่นบางคนการหายใจก็เด่นบางคนการขยับเนื้อขยับตัวก็เด่นตรงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราตื่นมาพร้อมสติเนาะมันเป็นสิ่งที่น่าก็เรียกว่าน่าอัศจรรย์นะเพราะว่านั่นคือเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตื่นมามีสติเฉยๆแต่มา ผ่านการมีสติเนี่ยเราได้ทำความดีแล้วทันทีเพราะว่านั่นคือเราไม่ได้เบียดเบียนตัวเองใช่ไอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราตกใจตื่นขึ้นมาเนาะเราก็จะนึกออกนะว่าตอนเช้าเช้าใช่ไเราตกใจตื่นขึ้นมาการตกใจตื่นเนี่ยกับการตื่นอย่างมีสติเนี่ยมันจะมีภาพที่ต่างกันมากมายเนาะคำว่าตกใจตื่นก็คือตื่นมาพร้อมกับความคิดกลัวกลัวไม่ทันกลัวอะไรต่ า, น, าน่าเหล่านี้เนี่ย ก็ทําให้เราตกใจตื่นขึ้นมาเนี้ยตรงเนี้ยก็เราก็จะมองเห็นนะว่านี่คือถ้าเกิดมาตื่นมาปุ๊บเรามีสติเนี่ยความคิดก็จะไม่สามารถที่จะแทรกเข้ามาได้นั่นนั่นคือเนี้ยถ้าเกิดว่าโอ้ชีวิตเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับนึกว่ามีสติเนาะตื่นขึ้นมาพร้อมกับได้ทําความดีทันทีเนาะในการตื่นเนี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็เคยตั้งคําถามเนาะบอกว่าเอ๊ เรานอนเนี่ยเราจะทำความดีได้ไหมนะอย่างนี้ตรงเนี้ยน่ก็จะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อกำเเขียนก็ถามง่ายๆนะเออนอนทำความดีได้ไหมนั่งทำความดีได้ไหมยืนทำความดีได้ไหมเดินทำความดีได้ไหมตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่เราก็เหมือนกับได้เห็นอิริยาบถประจำมันของเรานะก็สัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เนาะยืนเดินนั่งนอน นะ้อยืนเดินนั่งนอนตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งสิ่งที่เหมือนกับอิเลียบทเราก็มีอย่างนี้แต่ว่าเราจะทำให้ให้อิรลียบทต่างๆนี้เนี้ยกลายเป็นการทําความดีได้ยังไงตรงเนี้ยก็คือมีสติกํากับเนาะการยืนเนาะอย่างเช้าเช้าใช่ไหมที่เวลาที่พระจันนวดพาพวกเราอะแค่เรารู้ว่า นั่งก็รู้ว่านั่งอยู่ยืนก็รู้ว่ายืนอยู่เดินก็รู้ว่าเดินดุ อ, อยู่นอนก็รู้ว่านอนอยู่ตรงเนี้ยแค่เรารู้รู้เท่านี้เองเนียเนาะเราก็จะมีสติเนาะเราก็จะมีสติไปกำกับอิริยาบถต่างๆของเราแต่ว่าอิริยาบถพวกนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นอิริยาบถ ท, ที่เราไม่ได้ทำกิจกรรมอื่นๆผ่านการยืนเดินนั่งนอนเนาะเราก็อาจจะเดินไปตักอาหารนั่งรับประทานอาหารเนาะ อะไรต่างๆนานาหเหล่านี้เนี่ยเรายังมีอิเดียบทกับกับการนั่งการลุกต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่พวกเรากําลังทํากันอยู่ตอนนี้ก็คือเรานั่งสร้างจังหวะอย่างเงี้ยเนาะถ้าหากว่าเรามีสติกับการนั่งสร้างจังหวะเนี่ยเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่หลงไปเป็นอย่างอื่นเนาะคือการมีสติกับการนั่งสร้างจังหวะเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดมีความคิดเนาะ แว บ, บเข้ามาหลงไปคิดอย่างเงี้ยเนาะอ๋อเราก็จะได้มีสติว่าเอ๊่นี่เรากําลังนั่งสร้างจังหวะเนาะความคิดยังไม่ใช่เวลาพักไว้ก่อนกลับมารู้สึกตัวกันก่อนอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าอ๋อนี่ใช่ไหมฮะเราก็นั่งเนาะก็เรียกว่าก็ทําความดีได้นะเพราะว่าความคิดที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมันเป็นความคิดที่ไปเครียดแค้นชิงชังคนอื่นเนี่ยจะไม่ใหค้ความคิดนั้นก็ใช่ไหมฮะดับไปนะ แล้วก็ไม่มีอิทธิพลกับชีวิตเรากลับมารู้สึกตัวเนาะตรงนี้ก็เสร็จไปอย่างเงี้ยหรือว่าเราเนาะแบบว่านั่งใช่ไหมงุนงงสงสัยไอ้นุ่นไอ้นี่หน้านิ่ค้วขาหมดอยู่อย่างเงี้ยเนาะความสงสัยตรงนี้บางทีก็เป็นเรื่องของการเ ป, เปลี่ยนตัวเองเนาะเพราะว่าพอสงสัยแล้วเนาะความสงสัยมันก็จะใช้ให้ตัวเราเนี่ยทำนู่นทำนี่เยอะๆยะยะไปหมดเลยนะฮะสงสัยชาตินี้ไม่หมดก็ต้อง เกิดชัดหน้าเนาะหาคำตอบกันใหม่นะไม่ใช่แค่ใช่ไหมเนี้ยตรงเนี้ยแค่ความสงสัยอย่างเดียวนะซึ่งมีกํากับชีวิตของเราเนี่ยเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยเนี่ยเราเคยนึกกันไหมว่าถ้าเกิดยังสงสัยข้ามภพข้ามชาติจะเกิดอะไรขึ้นเนาะใช่ไหมเราก็ต้องไปเบียดไม้ตายเกิดชัดหน้ากันอีกเนี้ยลำบากแย่เลยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะว่าเพียงแค่เรานอนะนั่งมีสติอยู่กับการนั่งมีสติอยู่กับการ จเจริญสติกันอย่างเนี้ยเนาะอย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยความคิดต่างๆที่จะแทรกเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราตั้งใจทํากันนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยมีเจตนาเนาะมีเจตนาที่จะรู้สึกตัวกันเนาะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเคลื่อนไหวเนาะแบบไม่รู้สึกตัวกันมาตลอดเราไม่เคยได้ เคยได้ยินคำนี้นะต้องมีความรู้สึกตัวกากับการกระทําต่างๆเราไม่เคยมาจนกระทั่งเราได้มาก็าเรียกว่ามารู้จักวิธีการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนเนาะนั่นนั่นคือตรงนี้นะเราก็เริ่มว่าอ้นีนะรู้สึกตัวไปกับการทำการงานรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าโอ้นี่เป็นสิ่งที่เป็นเป็นคล้ายๆว่า เป็นความยังไม่เคยชินของพวกเราบางครั้งเราก็ยังเหมือนกับงงๆด้วยซ้ำไปว่าไอ้ความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงกันทั้งๆที่ความรู้สึกตัวก็เป็นความรู้สึกตัวที่หนุมพ่อเทียนเรียกว่ารู้สึกตัวซื่อๆเนาะเราทำอะไรก็รู้ตามนั้นเราทำอะไรก็รู้ตามนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ซื่อๆมากๆเลยแต่ว่าความซื่อๆตรงนี้เนี่ยชีวิตเราที่ซับซ้อนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับมา รู้ซื่อๆกันได้เพราะเนื่องจากว่าเราก็ไม่เคยกินข้าวอย่างเดียวกินข้าวไปมือนึงก็กางหนังสืออีกตานึงก็เหลือบดูทีวีไปด้วยมือนึงก็ถือช้อนตักอาหารเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยสองสามอย่างไปรบๆกันบางทียังไม่พอเท้าอาจจะยังไปเขียนนู่นเขียนนี่อะอ่งต่างนาน า, นาอีกอย่างเงี้ยนั่นนึงคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ชีวิตเราเนี่ยเราไม่เคยทําอะไรทีไรอย่างไม่เคยทําอะไรทีไรอย่างตัวเองก็เหมือนกันเนาะแบบว่า พอได้ยินคาําว่ารู้สึกตัวนะก็นึกถึงภาพอา้าวได้จะให้เราทําอย่างเดียวได้ยังไงตอนช้ามีเวลาทานข้าวก็นิดเดียวนะเดี๋ยวก็ต้องดูข่าวเดี๋ยวก็ต้องดูทีวีเดี๋ยวก็ต้องเอาเรื่องข่าวเรื่องทีวีไป ท, าทาํางานทําการอะไรต่างๆนาน า, น า, นานเหล่านี้มันจะเป็นยังไงชีวิตเราทําเรื่องเดียวแล้วมันจะทานกินเหรืออะไรเงี้ยนะอย่างนั้ น, ะ น, นก็มีส่วนที่คิดแบบนี้นั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่แต่ถ้าหากว่าเราคิดกันจริงๆเนะี่ยพอเวลาที่เรา ทานข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเราก็ทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยเราเคยสงสัยไหมว่าไอ้การกัดลิ้นกัดปากเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงหนึ่งเนี้ยเพราะว่านั่นคือตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยลิ้นเอ่ยฟันเอ่ยเนี่ยพอเวลาเราส่งอาหารเข้าปากเนี่ยเขาเองเขก็ทําหน้าที่ของเขาเองเนาะพวกเราเองเนี่ยลองสังเกตดูนะฮะพอส่งอาหารน้ําเข้าไปนะลิ้นเขาก็จะทํางานของเขาไปอย่างหนึง่งส่งอาหารที่เป็น จะ่ไหมเป็นผักเป็นเนื้อเป็นอะไรเนี่ยลิ้นเขาก็จะทํางานของเขาเป็นคนอะไรอย่าง2อย่างเนาะเขาก็จะทําหน้าที่ของเขา ท, ทันทีเนาะอย่างนะี้พวกฟันพวกอะไรต่ตางๆนานาเหล่านี้ก็ก็จะทําหน้าที่ของเขา ท, ทันทีแต่ว่าใจของเราบางทีมันก็เร็วนะบางทีเหมือนกับว่าของที่อยู่ในปากก็ยังไม่ทันหมดยังไม่ทันเคี้ยวหมดของใหม่ก็กาลังจะส่งเข้าปากตรงนเนี้ยเนาะพอใจมันไปเร็วกว่ากายเนี่ยบางทีมันก็สั่งกายเหมือนกัน นั่นนั่นคือไอ้การกัดลิ้นกัดปากเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะเหตุแบบนี้เนาะแบบนั้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีสติรู้ตัวเนี่ยเราจะพบว่าความเคลื่อนไหวของพวกเราเนี่ยทุกๆความเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีความคิดเนาะกำกับอยู่เสมอเสมอเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราตกไปอยู่ในส่วนของความคิดที่ไม่ดีเนาะความคิดที่เป็นความอยากนำอย่างเงี้ย หรือเรี course, ยกว่าเป็นกิเลสนําเป็นตันหานําก็ได้อย่างนี้ตรงนั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นมากการกระทําของเราเนี่ยก็ถูกก็เรียกว่าตกเป็นเครื่องมือของตันหาไปเลยนั่นนั่นคือตรงนี้พอการกระทําตกเป็นเครื่องมือของตันหาสิ่งที่เกิดขึ้นกับการกระทํานั้นก็คือผลกรรมเนี่ยก็กลายเป็นอกุศลกรรมไปนั่นนั่นคือตรงนี้ว่านี่นี่คือสิ่งที่เมื่อเราไม่มีสติกํากับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเรียกว่า การกระทําของเราเนี่ยเป็นการกระทําที่เขาเรียกว่านอกจากไม่มีผลใหญ่แล้วเนาะยังกลายเป็นว่าไม่คำนี้เป็นผลใหญ่หมายถึงเป็นผลทางกุศลนะแต่ว่านั่นคือกลายเป็นอกุศลอย่างใหญ่ๆไปด้วยเพราะฉนั้นนั่นคือชีวิตของเราในเวลาที่ผ่านมาปีแล้วปีเล่าเนี่ยปรากฏว่าความเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยก็มากขึ้นทุกทีทุกทีความเดือดเนื้อร้อนใจพวกนี้ก็กลายเป็นทุกเนาะทุกทุกไปหมด อะไรเงี้ยจะนั่งก็ทุกข์จะกินก็ทุกข์จะดูทีวีจะอ่านหนังสืออะไรก็ทุกข์ไปหมดทุกอย่างเลยเนาะอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามองดูเนาะอ่านหนังสือก็เป็นทุกข์เหรออะไรเงี้ยเนาะดูทีวีก็เป็นทุกข์เหรออะไรเงี้ยกินข้าวก็เป็นทุกข์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นทุกข์ไปหมดเลยอะไรเงี้ยพวกเราลองดูเนาะใช่ไหมอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนี้กันจริงๆนะทุกข์ง่ายๆทุกข์ง่ายๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า เรามีนิสัยหาทุกใส่ตัวนิสัยแบบนี้เนี่ยมาจากไหนมาจากความอยากเนาะที่เราตามใจตัวเองมาตลอดตามใจครั้งหนึ่งนะความอยากก็เป็นใหญ่ขึ้นตามใจครั้งหนึ่งความอยากก็เป็นใหญ่ขึ้นนั่นนึนคือตรงเนี้ยว่าเมื่อมีความอยากเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของจิตใจเราเนี่ยจิตใจเราก็มาใช้ร่างกายเราต่อเนาะ เพราะนั่นนั่นคือร่างกายแล้วก็กลายเป็นาธาตุของจิตใจที่มีความอยากเข้ามาครอบงานั่นคือตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่หลวงพเทียนเนี่ยระบุไปเลยนะว่าความคิดเนี่ยความคิดอยากเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นเหตุเนาะเป็นต้นเหตุของทุกเพราะนั่นนั่นคือหลวงพ่เทียนก็จะแบบว่ามีวิธีกรรมฐานที่เรียกว่าเล่นงานเนาะตัวความคิดเนี่ยโดยตรง ด้วยการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าทิ้งไปเลยไม่สนใจเนาะทิ้งไปเลยไม่สนใจเขาเรียกว่าเรียกว่ากลับมารู้สึกตัวกันกลับมารู้สึกตัวกันเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเมื่อคืนเนาะเราก็ดูดูเขาเรียกว่าดูหนังหลวงพ่อคําเขียนเนาะหลวงพ่อคำเขียนอธิบายว่า ความมืดเนี่ยเราไม่ต้องไล่นะจะแม้แค่เปิดไฟเท่านั้นเองความมืดก็หายไปแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาไล่ความมืดทำนองเดียวกันเนาะความหลงเนาะที่เราหลงไปกับความคิดหลงไปกับความอยากเนี่ยก็ไม่ต้องไปคอยแก้ไขนะเพียงแค่เอาใจเนี่ยกลับมารู้กับการเคลื่อนไหวของกายเท่านั้นเองใจก็ก็เป็นอิสระทันทีนั่น น, นั่นคะือตรงเนี้ยเนาะวิธีการที่ที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อเทียนแนะนาให้พวกเราหัดกันเนี่ย เป็น ว, วิธีการที่มีผลใหญ่มากๆเลยเป็นวิธีการที่แบบคำสอนนิดเดียวเองเนาะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยเนาะในขณะที่เรากำลังหลงอยู่เนี่ยกลับมารู้สึกตัวเนี่ยใจเราก็เป็นอิสระทันทีเมื่อใจเป็นอิสระเนี่ยกายก็เป็นอิสระทันทีเหมือนกันเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าการหัดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ก็เรียกว่าเห็นผลเนาะ เห็นผลทันทีที่เราปฏิบัติกันกรรมฐานของนุ้งพระเทียนเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าอาศัยเนาะก็เรียกว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทํากรรมฐานนั่นนัคือเมื่อเราเริ่มทํากรรมฐานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเนาะเรียกว่าเอาสติเนาะมาคอยดูกายที่เคลื่อนไหวเนาะแล้วก็เอาสติเนี่ยมาคอยดูว่าใจเนี่ยเนาะมันมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือเปล่า ปรากฏว่าการดูก็เกิดขึ้นเนาะการดูกายก็เกิดขึ้นการดูใจก็เกิดขึ้นการดูตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพอเราดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเราก็จะมีข้อมูลของกายของใจที่เราเนี่ยไม่ค่อยมีข้อมูลพวกนี้หรือว่าอาจจะมีข้อมูลเรื่องกายเรื่องใจเราเนี่ยน้อยมากๆจนกระทั่งเราเนี่ยก็เรียกว่าเสียเวลาในการใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งเนี่ย เขาเรียกว่าเสียเวลาไปกับการที่เราถูกก็เรียกว่ากิเลสใช้เนี่ยตลอดนั้นนั่นคือกายที่มีอยู่ก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปผลของการที่กระทําผลของการที่กายกระทําก็กลายเป็นอกุศลไปหมดเนี้ยนั้นนั่นคือการที่มีกายนี้เนี่ยก็เรียกว่าเกิดขึ้นมาก็ทุกก็ทับถมขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีเนาะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยพอเวลาที่ เราเร 17, world, ิ่มรู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มก็เรียกว่าใช้กายนี้เนี่ยเรียกเป็นกุศลเนาะใช้กายนี้ทําดีใช้ใจนี้ทําดีตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเริ่มสะสมความดีขึ้นมาในทันทีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าพอเราเริ่มทํากรรมฐานแบบนี้เนี่ยหลายคนเนาะก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงเอ๊ะความรู้สึกตัวเป็นยังไงแต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ย ครูบาอาจารย์ก็บอกว่ารู้สึกไปก่อนเนาะแบบว่าเราลองรู้สึกตัวไปก่อนรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างก็ไม่เป็นไรตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเมื่อเราเริ่มเนาะมีเจตนาที่จะเรียนรู้มีเจตนาที่จะทาเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วก็พวกเราเองก็จะรู้สึกเนาะรู้สึกทันทีแต่ว่า ทำนองเดียวกันเนี่ยพอเวลาที่เราทําไปเนี่ยก็เรียกว่าความอยากเนาะมันก็แทรกเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้สึกตัวดีดีๆอยู่แล้วก็ไม่พอนะอยากรู้สึกตัวชัดๆเนาะพออยากรู้สึกตัวชัดๆก็ทํายังไงก็หลับตาบ้างเนาะอย่างเงี้ยหลับตาแบบว่าคอยคอยแบบรู้สึกตัวให้ชัดๆอะไรต่างๆนาน า, นาตรงนเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราก็เริ่มเรียกว่าเริ่มพยายามมากเกินไป การที่เราเริ่มพยายามมากเกินไปเนี่ยกายก็ถูกใช้มากขึ้นใจก็เป็นทุกข์มากขึ้นนั้นนั่นคือตรงเนี้ยความเป็นปกติก็หายไปความรู้สึกตัวเบื้องต้นที่เคยรู้อยู่ก็ก็เรียกว่าหายไปกับความอยากรู้มากขึ้นอยากอยากรู้ชัดๆอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ตรงเนี้ยก็เราก็ไม่ทันอีกแล้วเนาะเราก็กลับไปในก็เรียกว่าในสภาวะที่ถูกกิเลสครอบงําถูกความอยากครอบงําอีกแล้ว เพระนั้นนั่คือตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่ให้พวกเราการมีเจตนากับการที่พยายามมากไปพวกเราก็ต้องสังเกตกันว่ามันต่างกันตรงไหนใสใจ้าเจตนาที่จะรู้สึกตัวเนี่ยใส่ไปในจังหมะที่มันพอเหมาะพอดีเนี่ยกับการที่เราพยายามมากเกินไปเนี่ยตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต่างกันนิดเดียวเนาะอย่างนั้นก็คือตรงที่ว่าอยากเนี่ยอยากรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นความคิดอีกแล้ว วันนั้นนั่นคือเราไม่ได้ทำอย่างที่หลวงพ่อแนะนำไม่ได้ทำอย่างที่เรียกว่ารู้ว่าคิดก็มางตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราก็หลงไปตามความเคยชินของเราวันนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ชัดเจนกันว่ากรรมฐานที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์แนะนำเนาะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเนี่ยเพียงแค่นี้เนาะรู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวถ้ารู้ว่าคิดเมื่อไหร่ก็ วางไปเลยกลับมารู้สึกตัวใหม่การกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่าใช้ได้ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดเนาะอย่างนั้นนั่นนั่นคือตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้เราเนี่ยศรัทธาเนาะในความรู้สึกตัวถึงแม้มันจะเป็นความรู้สึกตัวเบาๆเนาะเป็นความรู้สึกตัวไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกตัวแล้วจะชัดไม่ชัดยังไงเราก็มีความรู้สึกตัวแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ก็อยากให้พวกเราเนาะ แบบว่าได้ได้เหมือนกับมีสติกันเนาะว่าคําสอนของหลวงพ่อเทียนคําสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยจะบอกว่าใช่ไหมเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ตรงนี้เนี่ยให้พวกเราได้มองเห็นนะว่าใจเราเนี่ยเมื่อมารู้รับรู้การเคลื่อนไหวของกายเนี่ยใจเขาก็จะไม่ไปอยู่กับความคิดนั่นนั่นคือตรงนี้ภาพมันก็จะชัดเจนเนาะว่าใจเราสุมมคำทางว่าใจเรามีดวงเดียวเนาะ ถ้าหากว่าไปอยู่ความคิดก็จะไม่มาอยู่ความรู้สึกตัวม่อยู่กับความรู้สึกตัวก็ไม่ไปอยู่กับความคิดแล้วก็ตรงที่เรากำลังตั้งใจรู้สึกตัวกันอยู่เนี่ยความคิดที่จอนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นความคิดที่เราตั้งใจแน่นอนเป็นความคิดที่หลวงพ่อมเขียนนี่ว่าเป็นการลักคิดเนาะหลวงพ่อมเขียนยังระบุเนาะว่าความคิดสับสนแบบเนี้ย เรียกว่าโสเภณีหลวงพ่ออย่างอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อกำเขียนก็ระบุให้พวกเราได้รังเกียจความคิดที่บรรจรมาแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจตรงนี้นะหลือนพระเจ้า น, นั่นคือตรงเนี้นะว่าให้พวกเราเนี่ยได้ได้ระวังกันความคิดพวกนี้มันก็จะแทรกมาเนาะเป็นความคิดที่ดีดีสวยๆงามๆความคิดอยากช่วยคนนั้นอยากช่วยคนนี้อะไรเงี้ยมีอยู่ตลอดเวลาได้เห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างบางพลังเนาะ มีการที่มาอบรมปฏิบัติธรรมกันแบบนี้เนาะปรากฏว่ามาวันที่สองเนี่ยก็รู้สึกชื่นชมอย่างมากว่าวิธีการปฏิบัติธรรมเนี่ยดีมากๆเลยขอกลับบ้านไปเนาะจะได้ไปชวนคุณพ่อคุณแม่มาอะไรแบบนี้เนาะเราลองดูนึกดูนะครับออกไปจากพ้นวัดแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาวัดได้เมื่อไหร่กัน มันไม่มีทางหรอกใช่ไหมแต่ความคิดก็ดูดีนะฮะแบบว่าโอ้นะแบบว่าอยากให้คนอื่นได้รับรู้สิ่งดีๆเหมือนอย่างเราอยากให้คนอื่นเขาอยากจะไปประกาศให้โลกรู้อะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้ตรงเนี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ เ, เขาเรียกว่าเราก็เข้าทางกิเลสอีกแล้วอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราระมัดระวังกันความคิดเนาะถ้าเทียบกับเทพนิยายสมัยโบราณเนาะแบบแม่มดเนาะ ใช่ไหมฮะก็แปลงตัวมาเป็นอันนั้นอันนี้ใช่ไหมฮะเอายาพิษมาก็เอายาพิษหลอกมาในรูปของแอปเปิ้ลมั่งหลอกมาในรูปของตุ๊ ก, กตาสวยๆมั่งแรงตานานาเนี่ยตรงเนี้ยเนาะคือนั่นคือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเขาก็หลอกเราหลอกเราแบบนั้นหลอกเราแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าเราหลงกลเนาะเราก็เขาเรียกว่าก็เข้าทางเข้าไปจริงๆตรงเนี้ยก็ไม่ใช่อะไรมากมายเนาะเราเคยมีนิสัยอย่างที่เราเรียกว่า นิสัยช่างคิดนิสัยช่างหาทุกใส่ตัวเนี่ยตรงเนี้มันเป็นนิสัยของเราอยู่ถ้าเราระลึกได้ว่านี่คือนิสัยของเราอยู่นะแล้วก็ความคิดเก่าๆของเราเนี่ยเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยพอใจอะไรรอบข้างเนาะแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังนึกเครื่องนึกขุนเนาะทำไมขี้บน่นทําไม จ, จุ๊จี้จ ύ, อะไรต่างๆ น, นานาเหล่านี้เนี่ยตรงเนี้ก็เป็นความคิดแบบที่เราเองก็ปล่อยให้ตัวเราเองคิดแบบนี้นะโดยที่ ไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเอ๊ะมันมันเป็นความคิดที่ดีไหมเราควรจะคิดแบบนี้กันหรือไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันแล้ววันเล่าเราก็ไม่ทันได้เรียกว่ามีสติที่จะรู้ตัวกันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงยะน้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเรารู้เลยเนะว่าความเคยชินเก่าๆของเราเนี่ยมันถูกความอยากเนี่ยกำกับแล้วก็ความเคยชินเก่าๆของเราเนี่แหละที่เราแก้ปัญหาอะไรเนี่ยไม่ได้สักทีหนึง่ง ชีวิตของเราที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยพยายามแก้ปัญหาเนาะพยายามแก้ปัญหามาตลอดแต่ว่าไม่เคยสําเร็จแล้วที่สําคัญก็คือถ้าเรามองกลับไปเนี่ยกองปัญหาเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทกทจนกระทั่งบางทีก็คิดว่าองค์มันไม่มีทางแก้ปัญหาชีวิตได้มาดีก็อาจจะด่วนตัดสินใจเป็นอื่นไปนั้นนั่นคือตรงนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่อยากให้บาลอง ร, รู้ว่าความพยายามทั้งหมดที่พวกเราเคยทํามาเนี่ย มีสิ่งเดียวที่เราไม่เคยพยายามก็คือไม่เคยพยายามรู้สึกตัวกันเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะเหลือสิ่งนี้สิ่งเดียวนะนอกเหนือจากนั้นพยายามมาหมดแล้วนั่นนั่นคือตรงเนี้ยให้พวกเราลองดูว่าพอพวกเรารู้สึกตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยบางครั้งเนาะแบบเรียกว่าบางทีพวกเราก็จะไปมองเห็นในสิ่งที่เรียกว่าปัญหาเนาะที่เกิดขึ้นข้างหน้าอย่างเง้ที่เช่น ปัญหาเรื่องความฟุ้งซ่านบ้างเนาะทำไมปฏิบัติธรรแล้วทําไมฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมแบบเนี้ยนะเมื่อก่อนไม่เคยฟุ้งซ่านอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยหรือว่าไม่งั้นก็บอกบอกว่าทําไมปฏิบัติธรรแล้วแบบว่าง่วงงง่วงที่สุดไม่เคยง่วงแบบนี้มาก่อนเลยเมื่อตอนบ่ายๆนี้ก็มีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งก็โทรศัพท์มาหาเนาะก็ถามเขานะยืนยันว่าถามจริงๆนะเนี่ยปฏิบัติธรรม แบบแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยแบบง่วงมากที่สุดเลยจริงๆล้วไม่เคยง่วงแบบนี้มาก่อนเลยเหรออ่างเงี้ยเขาก็ยืนยันนะครว่าไม่เคยง่วงแบบนี้มาก่อนเลยก็อบอกว่าเนี่ยถูกละล่ะเพราะว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมในแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยจะเป็นเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือการเห็นความจริงเนาะของกายของใจเรา เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นนะความง่วงง่วงเมื่อไหร่ก็สุขหัวนอนเลยใช่ไหมฮะอย่างนั้นอะไรเงี้ยนั่น น, น, นั่นคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นแต่พอเราเริ่มทํากรรมฐานเนี่ยทุกคนเนี่ยจะพบว่าวันแรกเนี่ยจะเป็นความง่วงที่ดุลแรงมากๆเลยเนาะอย่างนั้นซึ่งก็คิดว่าไม่ไม่ไมต้องเรียกว่าทุกคนเนาะก็เกือบเกือบทุกคนที่จะเป็นแบบนั้นหลวงพ่อเองก็เหมือนกันเนาะตัวเองก็เหมือนกันก็เวลาที่ เมื่อก่อนก็ง่วงนะเอะทําไมนะเราเดินเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยแค่เริ่มเดินได้สามก้าวเนานะหัวทิมแล้วอย่างเงี้ยนะเอ๊ะมันเป็นแบบไหนเนาะเอ้ากลับมาตั้งตัวใหม่เอ้าเดินมาใหม่เดินยังไม่ทันจบทางเอ้าหัวทิมอีกแล้วอย่างเงี้ยนะมันเป็นยังไงกันเนาะแบบเนี้ยเนาะอย่างนั้นไม่อยากไม่อยากเป็นเลยอย่างเงี้ยไม่มีใครนะมีความรู้สึกว่าอยากง่วงในขณะที่เราปฏิบัติธรรมแต่ว่าตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่า ไม่มีใครอยากเนาะให้เราก็ได้เห็นความอยากเป็นตัวใหญ่ๆเนาะเราก็เข้าทางแบบว่านิสัยเดิมๆอีกแล้วเนาะอยากนั่นอยากนี่อะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยสภาพธรรมที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเราก็ไม่เห็นเพราะว่าเนื่องจากว่าความอยากก็มาบังเนาะเราลังเกียจธรรมชาติเนี่ยความว่วงเป็นธรรมชาติเนาะความว่วงเป็นสิ่งที่ชีวิตทุกชีวิตต้องมีเหมือนอย่างที่เมื่อคือนหลว่าถามเอา้า ทำไมต้องไปโมโหวความเอ้ความหิวด้วยใช่ไหมอย่างนั้นถ้าไม่หิวก็ตายนะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าไม่หิวก็ไม่ได้กินข้าวความว่วงก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีเราก็ไม่ได้หลับนะถ้าไม่ได้หลับเราก็คงแย่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยเพราะฉนั้น น, นี่คือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่นี่คือเมื่อธรรมะเกิดขึ้นเนี่ยเราเนี่ยเคยปฏิเสธธรรมะมาตลอดเนาะใช่ไหมฮะอย่างนั้นเพระาะว่านี่คือมันเป็นนิสัยของเราเนาะใช่ไหมฮะอะไรที่เป็นจริงเนี่ย จะแบบปฏิเสธไปก่อนอะไรที่ไม่จริงเนี่ยก็แ บ, บเรียกว่าอะไรหลอกหลอกมาเนี่ยรับไปก่อนเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้เราก็จะเหมือนกับคล้ายๆว่ามีความเคยชินแบบนี้กันนั่นนั่นคือก็เรียกว่าตอนกลางวันเราง่วงเราก็ไม่ชอบตอนกลางคืนเราไม่ง่วงเราก็ไม่ชอบความง่วงอันเดียวกันแต่ใจเราไม่เที่ยงต่างหากเ น, ะนาะใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย เ, เราก็ได้เห็นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเนาะแบบให้ลองดูสิว่าใจมันไม่เที่ยง เนี่ยพอเราเริ่มทากรรมฐานวิปัสนาเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นแต่เป็นแต่ว่าความเคยชินเก่าของเรามาบดบังสิ่งที่เราเรียกว่าสภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะว่าเรามีเขาเรียกว่าฝึกความรู้สึกตัวกันเรียกว่าฝึกสติเนี่ยสติเนี่ยเาเรียกว่าเป็นตาวิเศษเนาะหรือว่าเป็นดวงตาที่เอาไว้เห็นธรรมก็ได้แล้วก็เห็นธรรมที่ตรงไหน เห็นธรรมที่เกิดขึ้นในกายในใจเราเรามีดวงตาอยู่แล้วเนาะดวงตาพิเศษเนี่ยตาสติเนี่ยดวงตาที่สำหรับเห็นธรรมเรามีอยู่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราไม่เคยฝึกใช้เพราะว่าเราไม่มีความเคยชินที่จะมองกลับเข้ามาในกายเราไม่มีความเคยชินที่จะมองกลับเข้ามาในใจเราใจเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอ กายในกายก็เป็นยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมีแต่ความเจ็บความปวดความเมื่อยแรงต่างน า, านาที่มันปรากฏกับกายแต่ว่าตรงนี้แหละสิ่งที่ปรากฏแบบนี้แหละทุกคนก็เมื่อยเนาะทุกคนก็ปวดนะเวลาเดินไปนานาแรงต่างน า, านาตรงเนี้ยก็เรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกายตรงเนี้ยมีไว้ให้สติเห็นแล้วตรงเนี้ยคือของจริงเนาะคือสภาพธรรมชาติจริงๆแล้วก็ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ดวงตาเนี่ย ก็เป็นดวงตาที่เราก็รู้สึกได้เลยเห็นได้เลยตรงเนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเนี่ยเริ่มกรรมฐานเนาะเริ่มกรรมฐานด้วยการที่แบบว่าหลวงพ่อเขียนบอกว่าโอ้เครื่องมือในตัวเราเนี่ยมีครบแล้วนะไม่ต้องไปหาวัตถุอื่นสิ่งอื่นมาเลยมีแค่กายมีแค่ใจมีแค่สติสามอย่างเนี่ยเนาะเอากายเอาใจเป็นตําราเอาสติเป็นนักศึกษาเอาสติเนี่ยคอยเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็พูดไว้ง่ายๆเนาะแต่ว่านั่นคือตรงนี้เนี่ยบางทีเราได้ยินเนี่ยเราก็เหมือนกับไม่ค่อยได้มีสติที่จะเอามาใช้มาทํากันตามนั้นเพราะว่าสติเราก็ยังไม่ตั้งมั่นเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยมั่นใจว่าถ้าพวกเราเนี่ยรู้สึกตัวจริงๆเนาะผ่านความเคลื่อนไหวเนี่ยตรงนี้เนาะท่าเรารู้สึกตัวว่ากายกําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ย ก็ยอย่าเผลอไปว่าโอ้นี่ดีแล้วถูกแล้วเนาะอย่างนั้นแล้วก็พอเวลาที่แบบว่าหลงไปอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยเนาะอย่างนั้นกลายเป็นว่าการที่เรามีสติรู้ว่าใจเราหลงไปคิดเนี่ยกลายเป็นความผิดไปการผิดการถูกแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของโลกที่เราคุ้นเคยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็อยากให้พวกเรากลับใหม่เนาะเป็นการที่มาอ้อนี่เห็นเนาะ มันนี่ใจมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอ๋ออันนี้เนาะสติเห็นใจที่มันลอยไปกับความหลงอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าสติก็ทํางานไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามสติก็ยังเห็นกายเห็นใจเราอยู่ดีนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้มั่นใจว่าทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวรู้รู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ยก็เหมือนเราได้หยอดกระปุกอมสินเนาะ ได้ยอดกระปุกอมสินไปเมื่อเย็นนี้แม่จันโนตก็บอกบาว่าหลวงพ่อก็เคยเปรียบเหมือนกับการที่เราผมทรายลงไปในลําน้ำเนาะทรายกระสอบแรกเนี่ยน้ําก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันจมลงไปแต่ว่านั่นคือความรู้สึกตัวครั้งแรกเนาะนี่รู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอีกนานๆเข้านานๆเข้าถ้าหากว่าเราเพียนเนาะ แบบที่ไม่ละไม่วางเนี่ยตรงนี้เนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยกระสอบทรายก็ต้องกันนนนงงนนก้นสายน้ําได้นั่นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะว่ากั้นสายน้ําก็เทียบเป็นว่ากระแสของกิเลสเนาะอย่างนั้นเทียบเป็นว่าตัวความรู้สึกตัวก็เป็นจะแม้ตัวก็เรียกว่าตัวถุงทรายเนะาะเพราะฉะนั้นนั่คือตรงเนี้ยมาให้พวกเราเนี่ยได้มั่นใจความรู้สึกตัวเฉยเฉยเนี่ย เมื่อคืนก็เราได้เห็นนะหลวงพ่อก็ยืนยันนะนี่คืออานุภาพของความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมจะไปด่าใครไหมมีความรู้สึกตัวแล้วจะไปทําร้ายใครหรือเปล่าแค่นี้เองเนี่ยชีวิตเราก็เรียกว่ามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวไหมดีทั้งหมดวันนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็อยากให้พวกเราเนาะวันนี้พวกเราก็รู้สึกตัวกันเนาะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบเนี่ยถ้ามาความรู้สึกตัวตรงนี้เนี่ย อยู่ในทุกพื้นที่เนี่ยก็เรียกว่าความรู้สึกตัวก็เต็มไปหมดนะเต็มไปทั้งชีวิตของเราแล้วความรู้สึกตัวที่เต็มไปทั้งชีวิตของเราเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกตัวที่จะทําให้ความทุกข์เนี่ยที่เคยเต็มพื้นที่ในชีวิตเราเนี่ยก็ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ความเพียรของพวกเราเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยแบบได้ไปถึงจุดที่เรียกว่าทุกน้อยลงทุกน้อยลงจนกระทั่งไม่มีทุกข์ในที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มั่นใจว่า ถ้าพวกเราเนาะใช้โอกาสที่เรายังลืมตาตื่นขึ้นมาได้ทุกวันเนี่ยโชคดีที่มีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ว่าจะโชคดีกว่านั้นถ้าหากว่าเราลืมตาตื่นด้วยมาด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการที่เราได้ทําดีกับตัวเองได้ทําดีกับคนอื่นในทันทีเนะที่เรารู้สึกตัวนั่นนั่นคือตรงเนี้ยชีวิตของพวกเราทุกๆคนตรงนี้ก็จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่ากับ กับโลกใบนี้กับสังคมนี้กับอะไรต่างๆนานานและที่สำคัญก็คือชีวิตของพวกเราก็จะปลอดทุกข์ด้วยกันทุกๆคนก็ให้พวกเรากลาบมาพร้อมกัน